จะสุขง่ายทุกได้ยากหากฝึกไว้ได้บอกแล้วว่าความสุขประเภทแรกคือความสุขจากการเสพความสุขอิงอามิตรหรือการมาสุขนั้นเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดของโลกมนุษย์ต้องระวังที่จะจัดการให้ดีเพราะเป็นความสุขแบบแกงแย่งจึงต้องรู้จักควบคุมดังที่ตรัสสินห้าไว้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 ท่านจึงบอกศีล8ปดให้เอามาฝึกตนเพิ่มขึ้นหลักการของศีลแปดนั้นก็คือว่าหลังจากเราปล่อยตัวหาความสุขจากการพึ่งพาวัตถุเสพมาเจ็ดหรือแปดวันแล้วก็ขอพักเสวนหนึ่งมาอยู่ง่ายๆอาศัยวัตถุหรือของเสพน้อยๆและเอาเวลาที่จะบำรุงบำเรอตัวเองนั้นไปทำประโยชน์อย่างอื่นโดยให้เป็นวันรักษาศีลแปดวันหนึ่ง ตามหลักที่เรียกว่าถืออุโบสถในวันขึ้น8และสิบห้าค่ำราม8และ14ี่หรือส5บห้าค่ำรวมเป็นเดือนละแค่สี่วันสีนห้ามุ่งที่จะไม่เบียดเบียนคนอื่นทั้งนั้นสีน8ก็เพียงเปลี่ยนข้อสากองสินห้าเป็นเว้นเมตุนแล้วก็เพิ่มมาอีกสาข้อโดยข้อที่เปลี่ยนและเพิ่มเข้ามานี้ไม่เกี่ยวกับคนอื่นเลย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 จะมีแต่ความสุขแบบพึ่งพาแล้วพึ่งพาเท่าไรก็ไม่พอก็ยิงหามาเสบมาครอบครองจนเป็นเหตุให้แย่งจริงเบียดเบียนกันอย่างที่ว่าแล้วเพราะฉะนั้นให้ฝึกตัวไว้รักษาอิสรภาพไว้เราเคยตามใจตัวหรือค่อนข้างตามใจตัวเองเบิ่ เ, เรอลิ้นด้วยอาหารหาความสุขจากการเสบรสอร่อยมาเจ็ดวันถึงวันที่แปด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 เคยต้องคอยดูคอยฟังเรื่องบำเรอตาบำเรอหูมาเจ็ดวันแล้วถึงวันที่8ก็เอาสินข้อเจ็มาฝึกไม่ต้องตามใจมันหมดเสียบ้างเอาเวลาที่จะตามใจคอยบำเรอตาหูนั้นไปใช้ทางอื่นเช่นไปพัฒนาจิตใจหรือไปบำเพ็ญประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ไปทำความดีสร้างสารรค์ชีวิตและสังคมทำการทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์เคยนอนตามใจตนเอง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 และไม่ตกลงไปในกระแสของความหมกมุ่นในการเสบวัตถุเสพกามจนกลายเป็นมนุษย์ที่ทุกข์ง่ายสุขได้ยากการฝึกตัวอย่างนี้จะทำให้เราเป็นคนที่สุขง่ายทุกข์ได้ยากเดินหน้าไปในการมีความสุขที่เป็นอิสระที่ไม่ต้องพึ่งพาวัตถุมากเกินไปแล้วก็เข้มแข็งไม่สูญเสียความสามารถในการมีความสุขและที่สาคัญ มันเข้าทางของการพัฒนาความสุขเป็นจุดเชื่อมต่อที่ก้าวขึ้นไปสู่การพัฒนาจิตใจและพัฒนาปัญญาที่สูงขึ้นไปตอนนี้เราอาจจะพิสูจน์ว่าเรายัางมีอิสระภาพยังเป็นอิสระในการมีความสุขยังมีความสุขโดยไม่ต้องขึ้นต่อของเสพมากนักหรือไม่วิธีที่พิสูจน์ง่ายๆก็มาดูคนสองสาพวกต่อไปนี้ คนจำนวนมากปล่อยตัวไปเรื่อยๆกับการหาความสุขด้วยการกินเสรต้องกินอาหารอร่อยต้องฟังสิ่งบำเรอตาบำเรอหูดูการละเล่นให้สนุกอยู่กับทีวีนอนฟูกหนานุ่มและหาสิ่งเหล่านี้ให้มากขึ้นเสรให้มากขึ้นมีของเสรที่ดีวิเศษยิ่งขึ้นไปไปมาๆมาชีวิตและความสุขของเขาต้องขึ้นต่อ ก, การวัตถุสิ่งเสไปหมดขาดมันไม่ได้ ชีวิตอยู่ดีลาพังตนเองมีความสุขไม่ได้เพราะสิ่งเสพสิ่งบาเรอนั้นเป็นทางมาทางเดียวของความสุขของเขาพวกที่เข้าทางนี้บางคนจะไปถึงจุดที่ว่าความสุขของเขาต้องขึ้นต่อสิ่งเสพวัตถุบำรุงบาเรออย่างสิ้นเชิงจะ ต, ต้องมีมันขาดมันไม่ได้ถ้าไม่มีเขาจะทุรนทุรายเหมือนกับบอกว่าฉันต้องมีมัน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 เวลาพูดถึงสิ่งบำรุงบำรเรอความสุขเหล่านั้นเขาจะบอกว่ามีก็ได้ไม่มีก็ได้มีก็ดีฉันก็สบายแต่ไม่มีมันฉันก็อยู่ได้นะนอนเสือ่อนอนกระดานฉันก็นอนได้เป็นอิสระคล่องตัวดีแล้วแถมไม่เป็นโรคปวดหลังอีกด้วยคือบางคนนอนฟูกเป็นนา น, านเป็นโรคปวดหลังไม่ได้ฝึกตัวเองจนต้องถูกหมอบังคับหมอบอกว่า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 และท่านก็แนะนำไว้ด้วยว่าเมื่อรักษาอุโบสถก็ให้เอาเวลาที่ได้จากการงดเสพไปทาพวกอนัวัชกรรมคือพอเราไม่ยุ่งกับการหาเสพบำรุงบำาเร่อตัวเราก็ได้เวลาเพิ่มขึ้นมาเฉยๆอีกเยอะทีนี้ในวันที่รักษาอุโบสถนั้นก็เอาเวลาที่มีขึ้นมานั้นไปจัดใช้ให้เป็นประโยชน์ค้นคว้าหาความรู้อ่านหนังสือธรรมะหรือเรื่องที่ดีๆ ให้ความรู้แก่เด็กร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์จเจริญภาวนาหรือไปบำเพ็ญประโยชน์เช่นไปเลี้ยงเด็กกาพร้าไปเยี่ยมผู้เท่าชราเป็นต้นนี่เป็นการพัฒนาขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งเมื่อมีโอกาสก็ควรลองดูรักษาศีลแปดเพียงแดวันครั้งเดียวไม่ยากแต่คุณค่าเหลือคุ้มทำให้รักษาอิสรภาพของชีวิตไว้ได้